ธรรมชาดุกแผ่นที่สลำดับที่20สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14กรกฎาคม2548มีชื่อเรื่องว่านกกระทามาปลูกต้นไทรวันนี้เป็นวัน ปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งเป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน8ปีส8อีกวันพระหน้าตรงกับวันที่21เป็นวันอาสาระเป็นวันสาคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาและกับวันต่อไปเป็นวันที่ย2สสอง เป็นวันเข้าพรรษาจากนั้นขอพระสงฆ์จำพรรษาสามเดือนไม่ได้ไปพักค้างแรมที่ไหนถ้าหากว่าไม่จำเป็นแต่ถ้าจำเป็นในพระวินัยท่านก็บอกว่าะสัตหะการณียะไปได้เจ็ดวันจากนั้นก็กลับมาไม่เห็นเกินกว่านั้น ถ้าเกินกว่านั้นแปล ว, ว่าพรรษาขาดขาดพรรษาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะจำพรรษาในสถานที่แห่งใดต้องคิดเตรียมการเอาไว้ว่าจะจำพรรษาที่ไหนปีนี้แต่นั้นก็ได้ปักใจจากนั้นก็ได้อธิษฐานเมื่ออธิษฐานพรรษาแล้วก็ไปว่าอยู่ในที่นั้น ในปีนั้นสามเดือนนี่ว่าพระจำพรรษา น, านะอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระก็อีกวันพระหน้าเจ็ดวันข้างหน้าก็เป็นวันอธิษฐานพรรษาของพวกเราเพราะนั้นวันนี้เป็นวันขึ้นแดคำ่ำเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเป็นประจำมาทุกวันพระ พร้อมกันรวมกันไหวพระสวดมนต์เสร็จเก็บรอยแล้วก็ฟังสัมโมรยกถาที่ผมอธิบายให้ฟังการพูดการสัมโมรยกถามีหลายเรื่องเพราะการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งมาใหม่ทั้งมาเก่า ถ้าว่าผู้มาเก่าได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนบางครั้งก็อาจจะเบื่อแต่ตามไม่จริงผู้มีธรรมในใจการฟังจะไม่เบื่อในธรรมถ้าขณะที่ท่านพูดที่เราได้ยินแล้วเราเข้าใจแล้วในเรื่องที่ท่านเคยพูดให้ฟังเราก็าเข้าสมาธิของเราซะ กำหนดดูใจของเราถ้าสิ่งไหนที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเรายังไม่เข้าใจชัดในแง่มุมที่ท่านจะอธิบายให้ฟังเราก็ส่งจิตออกมารับฟังรับรู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรมีความหมายว่ายังไงอันนี้แปลว่าผู้ฟังเป็นแต่ถ้าผู้ฟังไม่เป็นก็อย่างว่า ไม่รับทั้งหมดปิดหูปิดตาทั้งหมดในเมื่อปิดหูปิดตาจะเป็นผู้ฉลาดไม่ได้เพราะพวกเราทันทั้งหลายต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังพระในครั้งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกก็ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาเป็นต้นศาสนา ก่อนแนะนำสั่งสอนพระสงค์ внимание. ในเมื่อพระสงค์ Finally, ได้รับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มาเผยแผ่ให้สิทธิยานุสิ์ฟังเมื่อสิทธิยานุสิ์ได้ฟังก็เอามาเผยแผ่ต่อๆกันมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนี่แหละต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านได้ยินได้ฟัง เมื่อเป็นผู้ใหญ่พวกท่านก็จะอธิบายให้ลูกศิษย์ฝ่ายพระฝ่ายครวัตได้รับผู้รับทราบตามสติกำลังความสามารถของแต่ละท่านถึงจะได้ศึกษามาแบบเดียวกันครูบาอาจารย์อันเดียวกันฟังธรรมะในครั้งเดียวกันแต่แนวความคิดนั้นอย่างแปกแตกต่างกัน ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเข้าใจความลึกซึ้งแต่ละคนแต่ละองค์เพราะนั้นการฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลธรรมะกันเดียวกันบางองค์ก็ได้สําเร็จเป็นพระหันบางองค์ก็สักทาคามีบางองค์ก็ พระอนาคามีบางองค์ก็พระโสดาบันบางองค์ก็เลื่อมใสนับถือในพระพุทธศาสนาเพอเพอบางคนยังตกนรกอีกต่างหากเพราะนั้นในเทศกันเดียวกันเป็นถึงขนาดนั้นหละถึงยุคนี้สมัยนี้ก็เถอะ มันก็คงจะเป็นแบบเดียวกันอาจจะมากกว่านั้นขณะต้นาศาสนาต้นาศาสนาแสดงธรรมให้ฟังเอาเหตุและผลมาพูดให้ฟังในยุคนั้นเขาก็ยังไม่เชื่อเพราะนั้นมาถึงยุคนี้การพูดจะให้เขาเชื่อทุกอย่างนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้ยากไม่ได้งั้นแต่แต่ว่าถึงยังไงก็ตาม เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าพวกเราเป็นนักเหตุผลเราก็ต้องนำมาคิดมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังในเมื่อได้ยินได้ฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็นำมากลั่นกองจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราเพราะฉะนั้นคนที่จะดีขึ้นมาได้ ก็จะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะดีได้อย่างไรราะนั้นการได้ยินได้ฟังนี่บางครั้งก็เหมือนกับเราอ่านหนังสือหรือเราฟังเทปแต่ท่านผู้อื่นจะเป็นอย่างหลวงพ่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่สาหรับหลวงพ่อเองถึงจะอ่านหนังสือประไตรปิฎกก็ตาม รือจะอ่านหนังสือธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ก็าตามหรือจะอ่านคำเลขิดของครูบาอาจารย์ก็าตามหรือจะฟังเทปของครูบาอาจารย์ก็าตามฟังครั้งหนึ่งจะได้ความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งแต่พอฟังครั้งที่สองก็จะประเด็นได้อีกพอฟังครั้งที่สก็จะประเด็นได้อีกในเทศกันเดียวกันสรุปแล้วก็คือ เมื่อฟังแล้วถ้าตีแผ่ออกมาก็ได้หลายหลายแนวความคิดเกิดปัญญาในการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาใน ร, รมในหนังสือหรือในธรรมเทศนาในเทปในซีดี น, น้นๆเพราะนั้นการศึกษานี่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย เข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่าเบื่อในการได้ยินได้ฟังถ้าว่าใครเบื่อนได้ยินได้ฟังชังในพระธรรมคำสั่งสอนลังเกลียดในพระธรรมคำสั่งสอนไม่อยากจะฟังพระธรรมคำสั่งสอนหันหลังให้พระธรรมคำสั่งสอนมีแต่ความหายนะนะล่ะจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกท่าน อกนั้นท่านผูนั้นบุคคลคนนั้นแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนําไปคิดนําไปพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลไตรทองด้วยเหตุด้วยผลพวกท่านจะประสบความสําเร็จเย็นอกเย็นใจนําไปประพฤติปฏิบัติจะได้รับความลมเย็นเป็นสุข เพราะผููที่ท่านแสดงหรือท่านพูดท่านก็คิดแล้วคิดอีกไตรตรองแล้วไตรตรองอีกว่าจะพูดเรื่องอะไรให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่ละครั้งเพราะนั้นอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านแสดงทำให้ฟังท่านตั้งใจเทศให้มีสาระให้มีประโยชน์พระในครั้งพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เช่นนั้นเหมือนกัน แต่น the for mm ี่เราไม่ได้เปรียบเทียบเรากับพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนักวิชาการใดก็ตามที่จะพูดก็ต้องว่าจะพูดเรื่องอะไรให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องที่จะพูดไม่ใช่ว่าพูดอะไรดืวอเปื่อยไปเรื่อยไม่ใช่อย่างนั้นครั้งนี้จะพูดเรื่องอะไรให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องเหตุและผลในเรื่องนั้น พระพุทธเจ้าที่เป็นบรมครูของพวกเราที่ท่านจะแสดงทำให้แก่สิทธินุสิทธิของพระ อ, องค์ฟังก่อนลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันพระ อ, องค์ยิ่งละเอียดก่อนที่จะขึ้นมานั่งบนธรรมาตท่านมองกวาดสายตาดูแล้วว่าพุทธบริษัทนี้จะแสดงธรรมประเภทไหนให้ฟังจะเป็นที่สบายจะเป็นที่เข้าใจ จากการพุทธองค์ก็มองอีกว่าในพุทธบริษัทเหล่านี้ท่านผู้ใดจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลในขณะที่เราแสดงธรรมในครั้งนี้ท่านก็เน้นจุดนั้นก่อนคือเน้นบุคคล น, นั้นก่อนส่วนบุคคลอื่นจะได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจเอาไว้ทีหลังต้องเน้นบุคคลที่จะได้ธรรมะขั้นสูงสุดก่อนในวันนั้นถึงจะเป็นคนเดียว ท่านก็เ น, น้นหนักจุดนั้นก่อนอย่างที่ท่านเทศให้นางรูปานันธาฟังนั่นน่ะคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจแต่นางรูปะนันธานั้นเข้าใจได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในขณะที่ฟังในวันนั้นแต่คนอื่นก็ได้ฟังแต่เขาเข้าใจที่พระพุทธองค์แสดงธรรมแต่จะให้ลึกซึ้งเหมือนกับนางรูปะนันธานั้น ไม่เหมือนพระพุทธองค์จ่อลงไปจี้ลงไปทำความเข้าใจกับนางเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ผลที่สุดนางเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพน้นมายึดมั่นถือมั่นเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่หละการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลมีประโยชน์แต่พวกเราท่านทั้งหลายที่ฟังอย่างที่หลวงพ่อฟัง ให้เป็นแนวความคิดหลวงพ่อชี้แนะชี้นําว่าครั้งนี้ชี้ประเด็นนี้ให้ฟังให้สังเกตดูนะเป็นยังไงมีเหตุผลยังไงในจุดนี้แล้วก็ชี้ประเด็นให้ฟังเออเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยอ่าเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือสอนสอนผู้ที่เข้ามาศึกษาสอนสิทธิ์ที่เข้ามาศึกษาเข้ามาอยู่ด้วย ให้มีสติให้มีปัญญาให้มีแนวความคิดกว้างขวางคือไม่ให้ไปมุมมองอันเดียวกันไม่ให้มุมมองแบบจุดเดียวแต่ว่ามีมุมมองหลายๆมุมมองแต่ว่ามีจุดยืนคืออันเดียวกันคือความถูกต้องด้วยหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าที่ท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรื่องมรรคเรื่องผลก็เช่นเดียวกันจุดใหญ่ที่ท่านอาจจะอธิบายเรื่อง การพาวนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาการพิารณาสติปัฏฐานสีอนิจจังทุกขังอนัตตาผลที่สุดก็จอเข้าไปสู่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเรื่องราวเท่าไหร่ออกมาจากจุดนั้นถึงจะมาในแง่ไหนมุมไหนก็จอเข้าไปในจุดนั้นแต่ว่าการเดินทับนั้นเดินคนละข้างกันแต่พอไปถึงแล้วคือ เข้าไปตีจุดนั ko ้นอันนี Weight, er hours, to to ipes, ้ก็เหมือนกันเหมือนกับเราจะเดินเข้าไปสู่กรุงเทพนั่นแหะมาเดินได้หลายทางมาทางภาคตะวันออกก็ถึงกรุงเทพได้ไปทางอีสานก็ถึงกรุงเทพได้ทางภาคเหนือถึงกรุงเทพได้ภาคใต้ก็ถึงกรุงเทพได้แต่จุดหมายปลายทางก็คือกรุงเทพอันนี้ก็เหมือนกันจุดหมายปลายทางก็คือพนิพพาน ที่จะตัดกิเลสคราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพวกท่านพวกเราทั้งหลายและวิธีการเดินที่จะถึงไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานนั้นเดินอย่างไรการพิจารณาอะไรสมาธิเบื้องต้นทำยังไงไตรสิกขาคือศิลสมาธิปัญญาอันนี้แหละเป็นหนทางที่จะเดินสู่มรรคผล น, ผนิพพานไตรสิกขาศิล ส, สมาธิปัญญา ศีลก็คือการเป็นอยู่กายวาจาของเราการอยู่ร่วมกันการกระทําทางกายทางวาจาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้มีโทษส่วนสมาธิคือพยายามทําจิตใจให้มั่นคงจิตใจให้ให้มั่นสมาธิทําใจให้มั่นปัญญารอบรู้ ในกองสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารภายนอกสังขารภายในให้รอบรู้อันนี้คือปัญญาถ้าจะว่าไปแล้วศีลก็อยู่ในกรอบอยู่ในกฎในระเบียบถึงจะมากย่างไงก็มีกฎมีระเบียบคุ้มครองเราศึกษาได้รู้ได้สรุปแล้วก็คือเรามองในสิ่งที่ไม่ถูกนั่นแหละ คือสิลผิดสินแล้วต้องคิดไว้ก่อนแต่ตามไม่จริงจะผิดมากผิดน้อยนั้นต้องดูอีกครั้งหนึ่งส่วนสมาธิทำจิตให้มั่นคงไม่ให้จิตใจปุงฟุ้งออกไปข้างนอกให้จิตใจอยู่กับตัวเองด้วยสติอันนี้ก็คือสมาธิส่วนปัญญานั้นกว้างขวางพิจารณารอบรู้ในกองสังขาร ปัญญานี่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยท่านผู้รู้ท่านชี้แนะชี้ดำให้พวกเราเดินหรือประพฤติปฏิบัติการวางอย่างไงวางจิตวางใจอย่างไงอันนี้แปลว่าเรื่องปัญญานี่กว้างกวางมากจะต้องศึกษามากทีเดียวเรื่องปัญญาไม่มีที่สิ้นสุด สุดแท้แต่ครูบาจารย์แต่ละท่านมีเชาวมีปัญญาขนาดไหนที่จะนำมาสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านจะรับได้มากน้อยอย่างไงแค่ไหนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอีกแต่สิทธิบางคนก็เหนือจะกว่าครูบาาจารย์ก็มีเพราะบุญบารมีของแต่ละองค์นั้นมากน้อยต่างกัน ยกตัวอย่างใกล้ๆ ก, กับอย่างหลวงปู่เสาอย่างเนี่ยหลวงปู่เสาท่านมาได้เทศอะไรมากพูดน้อยแต่ว่าท่านทำให้ดูแต่มาองค์หลวงปู่มั่นท่านมีเชาการแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนนั้นปาดเปล่องฉเฉลียวฉลาดเป็นปราชญเป็นมหาปรัชญาท่านสรุปแล้วก็คือเชา ในการแสดงธรรมนี้ถ้าจะว่าไปแล้วผมมากกว่าหลวงปูเ่เสาแต่ส่วนธรรมะที่ท่านได้แล้วนั้นก็คงจะเหมือนกันเพราะหลวงปูเ่เสาท่านก็อธิธาตของท่านก็เป็นพระธาตุเหมือนกันหลวงปู่มันก็เป็นพระธาตุเหมือนกันเราจะว่าใครยิ่งหย่อนวกว่าการนั้นคงไม่ได้ท่านเอาหลักรูปธรรมมายืนยันแล้วแต่ว่าส่วนธรรมะที่ท่าน บุญบารมีของท่านที่แนะนำสั่งสอนนั้น แ, กแตกต่างกันสรุปแล้วก็คือสิท์เหนือกว่าครูก็มีในเรื่องบุญบารมีหรือวัจติปัญญาเชา่าในการแนะนำสั่งสอนแต่โดยมากก็สู้ครูไม่ได้แล้วเพราะงั้นเออถึงยังไงถึงจะท่านจะฉลาดขนาดไหนท่านก็เคารพครูครูบาอาจารย์ต้องเหนือหัวอยู่เสมออย่างท่าน ภาษาลิบุตรเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเลิศในบรรดานักครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศทางปัญญาพระโมกคลาเป็นผู้เลิศทางลิตเด็ดสักดานุภาพแสดงอิทธิลิตแต่ภาษาริบุตรเนี่ยเลิศทางปัญญาพระอาชิชินในกลุ่มปัญจวคีรีทั้ง5ที่เป็นอาจารย์ของท่านท่านสอน ภาษาเรีบยบบทเบื้องตน้นจนภาษารีบุตรได้สําเร็จพระโสดาบันภาษารีบุตรถือว่าอัจฉริเป็นอาจารย์ของท่านเบื้องตน้นเป็นปฐมอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ทางธรรมะจากนั้นเมื่อได้สําเร็จพระโสดาบันแล้วก็ว่าอาจารย์ของเราอยู่ไหนพระอัจฉริก็แนะนําว่าพระพุทธเจ้าอยู่กรุงราชคืออุปติษฐะยังไม่ได้เป็นพระอุปติษฐะก็ไปชวน โมกคลาที่เป็นสหายเอไปกราบพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากนั้นก็ได้บวชได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ถึงท่านจะได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านอาชิชิก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็เป็นผู้เลิศได้รับเอตัตะเลิศกว่าพิสุทั้งหลายเป็นอั克拉สาวกเป็นผู้ใหญ่รองจากพระพุทธเจ้าแต่ท่านอาชิชิท่านก็เป็นพระอรหันต์เป็นปฐม พระสงฆ์ห้ารูปที่วันอสสรหะ ท, ที่จะถึงเนี่ยนี่ว่าพระสงค์เกิดขึ้นในโลกหรูป โ, โกนทัญญาวัปะพัทธิยะมหานามะอัจฉริเนองอัจฉชิเนี่ยชชเป็นอาจารย์ของภาษาริบุตรภาษาริบุตรถึงท่านจะได้สําเร็จเป็นผู้เฉลียวฉลาดปาดเปลืองท่านยังเคารพอาจารย์ของท่านพระอัจฉริอยู่ทางทิศเหนือ ท่านกหัหันศีรษะไปทางทิศเหนือกลาบท่านอาเจชิก่อนนอนทราบข่าวว่าท่ so านอาเจชิจอยู่ทางทิศตะวันตกท่านกระหันหัวไปทางทิศตะวันตกกลาบท่านอาเจชิก่อนอนทิศใต้ทิศตะวันออกทิศไหนก็ตามถ้าท่านอาเจชิจอยู่ทางทิศใดภาษาริบุตรรับทราบว่าท่านอาเจชิอยู่ทางทิศใดก่อนนอนท่านชี้ศากลาบไปทางนั้นแล้วก็นอนทันหัวไปทางนั้น จนพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาพระสงฆ์ที่ท่านไม่รู้เขาก็บอกท่านภาษาริบุตรเป็นมิตรสาธิฐิวันหนึ่งหันศีรษะไปทางหนึ่งแล้วก็อนอนวันหนึ่งก็หันศีรษะไปทางหนึ่งแล้วก็อนอนทําไมเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ได้เรียกท่านภาษาริบุตรเข้ามาถามว่าท่านหันศีรษะไปอย่างที่พระสงฆ์เขาเห็นนั้นเพราะอะไรท่านภาษาริบุตรท่านก็ ได้กราบภูมิพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หันศีรษะไปทางที่พระสงฆ์เหตุ น, นั้นข้าพระองค์ทราบว่าท่านอาชชิที่เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ท่านอยู่ในทิศนั้นข้าพระองค์จึงได้หันศีรษะไปทางนั้นนี่แหละถึงท่านจะเป็นอัครสาวกเป็นผู้เลิศทางปัญญากว่าสงฆ์ทั้งหลายจต่ว่าร้องจากพระพุทธเจ้าทีเดียวในพุทธศาสนานในพระพุทธเจ้า เป็นวงแรกสารีบุตรเป็นสาวกข้างขวาโมกคลาเป็นสาวกข้างซ้ายถึงท่านจะเลือถึงขนาดนั้นท่านก็ยังไม่หลืออาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านที่ให้ธรรมะเนี่ยท่านยังกราบไหว้เคารพสักการะบูชายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดถ้าคนเห็นธรรมดากันนั้นน่ะเหมือนว่าเป็นมิตรสาทิฐิแต่ท่านก็ยอมเขาจะว่ายังไงท่านไม่แคร์ แต่ท่านกราบ อ, อ, อาจารย์ของท่านอาจารย์คนท่านอยู่ทางนู้นข่าวนี้นี่แหละผู้มีปัญญาผู้รู้ธรรมในจิตใจแล้วรู้เท่าไหร่ยิ่งอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนมันไม่เหมือนรู้กิเลสถ้ารู้กิเลสถ้ารู้มากๆแล้วแข่งอาจารย์อีกต่างหากถ้ารู้ธรรมแล้วรู้เท่าไหร่ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ่งกราบไหว้สักการะบูชาครูบาอาจารย์นี่แหละทำทำเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่มีการกระด้างกระเดื่องไม่มีการถือตัวอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รับผู้รับทราบว่าธรร ม, มะเนี่ยถ้าใครรู้เข้าสู่จิตใจแล้วมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้าง การพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระที่จะบวชเป็นพระเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ให้มีสมัมมาวะต่อกันมีการอ่อนน้อมผอมตนต่อกันการอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าไม่มีสัมมาค ร, ราวะแล้วอยู่ด้วยกันลําบากความแตกแยกสามัคคีกันแก่งแย่งกันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าว่ารู้จัก สัมมาคารวะแล้วมีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุขทางด้านจิตใจพระในครั้งพระพุทธเจ้าการอยู่บางกลุ่มบางคณะก็ความเห็นไม่ลงรอยกันลักษณะที่ว่าแข่งแย่งกันหรือว่ามีความเห็นไม่ตรงกันพระพุทธเจ้าท่านนำชาดกมาสาธกให้ฟัง พวกท่านทั้งหลายบวชในศาสนาของตถาคตสอนเรื่องมรรคเรื่องผลแต่พวกท่านทั้งหลายยังไม่เคารพซึ่งกันและกันไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีผู้น้อยเราตถาคตแต่ก่อนเป็นสัตติราชานก็ยังเคารพกันจึงเคารพซึ่งกันและกันจากนั้นพระโตองค์ก็ยกตัวอย่างสมัยหนึ่ง มีช้างมีลิงมีนกกระทาไปมาหาสู่กันจนเป็นที่สนิทสนมอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพอต่อมาการไปมาหาสู่ก็นสนิทสนมกันนกกระทาทั้งลิงทั้งช้างทีนี้เพื่อมาอยู่ร่วมกันหลายๆวันหลายๆครั้งหลายๆเดือนหลายปีเข้ามาก็ไม่รู้ใครเป็นอาวุโสกว่ากัน ใครมีอายุมากกว่ากันคือใครเกิดก่อนกันไม่มีใครรู้แต่นี้ก็ถามกันคืนว่าต้นไซตต้นเนี้ยที่พวกเราเกาะ อ, อยู่นี้น่ะใครรู้ว่าสมัยนั้นใหญ่ขนาดไหนนกกรทาก็บอกว่าต้นไซตตัว น, นี้น่ะข่าไปกินต้นไซตต้นนู้นน่ะมาก็เลยมาถายลาดตรงเนี้ ข้าจำได้ไซตตัวนั้นอ่ะแถวนี้ไม่มีนะแต่ข้าได้ไปกินตุน่นโน้นมาถ่ายอยู่แถวเนี้ยมาเขี่ยวหากินอยู่แถวนี้มันจึงใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เลิงก็บอกว่าสมัยข้าเป็นลิงเน่ะตนไสตตัวนี้ข้าได้แนะขอกัดกินยอดขอมัดให้ข้าว่นนั่งน้ไปกัดกินยอดของตุนไสตแต่นี่ช้างก็บอกว่า ต้นชัยตัวนี้ค่ามากกับแม่ของข้าต้นชัยตัวนี้เพียงสีข้างของข้าเนี่ยนะก็เป็นอันว่าทั้งสามตัวเน่นกกทาเป็นใหญ่เกิดก่อนพอไปกินต้นชสจากต้นนู้นมาถ่ายลาดลงลิงสมัยตัวเล็กจะแง้คอกัดยอดช้างเดินไป มันอยู่ในใต้ท้องอยู่ข้างๆสีข้างของช้างแสดงว่าช้างเกิดที่หลังเพราะนั้นทั้งสามตัวท่านก็เคารพนกกระทาถือว่าเป็นพี่ใหญ่เพราะเกิดก่อนมีอะไรก็แสดงความเคารพพี่ใหญ่เพราะเป็นสัตว์ผู้เกิดก่อนอวุโสเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันท่าหวานับถืออวุโสพันเตให้ความเคารพซึ่งกันและกันแล้ว การอยู่คนในกลุ่มนั้นก็จะมีความร่มเย็นผาสุกเพราะว่าเคารพอาวุโสพันเตแต่ถ้าว่าอยู่ด้วยกันไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีผู้น้อยค้อนเท่าค้อนไม้เท่าไม้อยากจะพูดอะไรก็พูดโดยที่ไม่มีการยำเกรงซึ่งกันและกันไม่มีวัยวุฒิคุณวุฒิคนในกลุ่มนั้นก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ยากเพราะจะมีพร้อมที่จะแตกแยก มีความคิดเห็นแก่งแย่งกันพร้อมที่จะทะเลาะบิบาทเกิดขึ้นได้ไ ง, ง่ายๆเพรผู้นั้นการอยู่ร่วมกันต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีอาวุโสพันเตให้เกียรติตามอาวุโสพันเตแต่ในหลักของพุทธศาสนาอย่างพระสงฆ์ถ้าใครบวชก่อนถึงจะมีอายุน้อยท่านก็นถือว่าผู้นั้นมีอาวุโสเพราะบวชเข้ามาในพุทธศาสนาก่อนเพื่อน ผู้ที่บวชมาทีหลังถึงจะบวชอายุมากก็ต้องแสดงความเคารพท่านผู้นั้นที่มีอายุอ่อนแต่บวชก่อนมีพรรษาสูงกว่าอันนี้คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าปฏิบัติถูกอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วจะเดิน ทำมาเข้าสู่จิตใจเรื่องสมาธิเมื่อศีลบริสุทธิธ์บริบูรณ์ดีแล้วการอยู่ร่วมกันการจากการวางตัวรู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักการกระทําสิ่งควรไม่ควรวั ย, ยวุฒิคุณวุฒิสิ่งเหล่านั้นถูกต้องแล้วไม่มีการแก่งแย่งกันแล้วจากนั้นก็จะมาภาวนาทางจิตตะภาวนาหรือว่าแสวงหาความสงบทางด้านจิตใจ ก็ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางขัดข้องเดินถูกในเบื้องต้นแล้วก็มาฝึกในเบื้องกลางคือสมาธิกำหนดจิตให้นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตก็ไม่วิตกกังวลไม่ปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกแต่ถ้าว่าพวกเราทำอะไรไม่ถูกจะมากำหนดภาวนานี่ จิตใจมันก็เควดิ่งไปหาคนคนนั้นหละคนกลุ่มนั้นหละพวกองค์นั้นแะเพื่อนองค์นี้หละที่ทำให้ตัวเองไม่สบายใจเพราะนั้นถ้าว่าเราทำถูกแล้วการอยู่ร่วมกันรู้จักปล่อยรู้จักวางอีกส่วนหนึ่งนะทุกคนจะดีเสมอกันเป็นไปได้ยากแต่ถึงยังไงเราจะไปปิตกกังวลจะไปถือโทษโกรธเคืองกับ ท่านเหล่านั้นอย่างเดียวมันพก็ไม่ถูกเราก็ควรจะปล่อยวางบ้างนะแต่ถึงยังไงก็ทุกคนให้อยู่ให้ส้ำเนียกส้ำนึกอย่างที่ผมได้พูดไว้แต่เบื้องต้นนั่นแนหะจากนั้นก็นลงมือถ้าว่าทําถูกอย่างนั้นนะลงมือประพฤติปฏิบัติทางจิตภาวนาทําจิตให้สงบเนะี่ยเป็นไปได้ง่ายเพราะการกระทําที่ถูกต้องมาโดยตลอด ในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แล้วจิตนิ่งแล้วจิตสบายใจแล้วใจสบายแล้วไม่พิตกกังวลไม่หิวโหวยกับอารมณ์ที่เข้ามากระทบเพราะเราแยกจิตออกจากอารมณ์ต่างๆไม่เกาะเกี่ยวไม่สายแสออกไปข้างนอกจิตเป็นหนึ่งจากนั้นเมื่อําจิตเป็นหนึ่งแล้วนาจิตเป็นหนึ่งนั้น ไปพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้สวดเบื้องต้นนั่นอยัางขโโ้อมกายอยู่กายของเรานี่แหละอุดทางปาทัตตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอธโถเกสามัตถกาเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปแต่จักปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบจากนั้นก็พิจารณาเข้าไปข้างใน เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าหัวใจจากนั้นก็เป็นเลือดเป็นน้ามันน้ําปัสสาวะมันอยู่ในกายของเราทั้งหมดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่ ที่เราดูอยู่เดียวเนี่ยในเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นมีกระดูกเป็นโครงสร้างอยู่ข้างในแล้วก็มีอวยัยวะดังที่กล่าวมาอยู่ข้างในมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคนเราทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่น เราจะพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นไม่สำคัญแต่สิ่งที่มันมีอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราต้องพยายามฝึกฝนถึงไม่เห็นก็พยายามให้ดูให้เห็นให้รู้ฝึกฝนพยายามฝึกพยายามฝนให้เข้าใจให้เห็นให้รู้ว่าสิ่งที่เราพยายนานาิจารณามันเป็นจริงอย่างที่เราคิดเนี่ยถึงจะเห็นหรือไม่เห็น จะยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่มันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละอันนี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดการไตรตรองพิจารณาเหตุและผลพยายามใช้ปัญญาพิจารณาฝึกฝนตัวนี้ให้ยอมรับในเมื่อยอมรับร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้จริงร่างกายเนี่ยมันจะต้องแตกสลายในที่สุดสู่ดินน้ำลมไฟ ไม่เป็นอย่างอื่นถึงจะอยู่นานขนาดไหนก็ต้องแตกเหมือนกับภาชนะน้อยใหญ่ผลที่เสือก็ต้องแตกสลายจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องวันใดวันหนึ่งจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองร่างกายของคนเราทุกคนก็เหมือนกันที่นั่งอยู่ในเดี๋ยวนี้จะต้องแตกสลายในที่สุดไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเดี๋ยวนี้อายุเราเท่าไหร่ ไม่ถึงร้อยปีถ้าร้อยปีแล้วแสดงว่าหมดสภาพอย่างหลวงพ่อวันนี้ก็ญาติโยมที่อุปธรรมบัตากใกล้ชิดขององค์หลวงตาเนี่ยเขาแม่อายุแปดสิบห้าปีป่วยหนักใครก็ว่าเกือบขั้นโคม่าหมดสติแล้วเขาก็นิมนต์หลวงพ่อไปหลวงพ่อก็ได้ไปตอนเที่ยงวันนี้ ไปดูเทวทูตทูตที่บอกว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแน่นอนไม่ต้องสงสัยไปเห็นแล้วโอ้โปรงตกแต่มันก็โปรงตกอยู่แล้วละ่ะคิดเวลาไหนก็โปรงตกไปแลนั้นไปเห็นสิ่งภายนอกกับน้องเขามาหาตัวเองแต่นี้ท่านอายุแปดสิบห้าปีแต่เรานี่าจะถึงหรือไม่แต่ถึงยังไงก็เตอะ ภาชนะน้อยหรือใหญ่ก็ต้องแตกในที่สุดแต่เราเห็นคนอื่นก็ยังพอทำเราแต่ถ้าพาเจอกับตัวเองเข้าไปแล้วอยู่ในสภาพเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรแต่บางคนก็เห็นแต่ด้วยสัญญาไม่ได้เห็นด้วยปัญญาที่รู้ซึ้งสู่จิตใจจริงๆ เห็นด้วยสัญญามันอีกแบบหนึ่งเห็นด้วยสังขารคือสัญญาสัญญากับสังขารความปรุงแต่งและสัญญาคือความจําได้หมายรู้แต่ถ้าเห็นด้วยใจจริงเห็นด้วยปัญญาจริงๆมันเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นของที่น่ากลัวที่สุดอย่างที่เห็นในวันนี้แปลว่าทั้งพบทั้งชาติที่ส่องแสวงหามาได้ แข่งแย่งกันเลื่องยศเรื่อ ง, องลับฉันระเสินสุขทั้งหลายผลที่สุดก็ทิ้งทั้งหมดเอาอะไรไปด้วยไม่ได้ลูกหลานญาติพี่น้องกระดูกตัวเองเลยังเอาเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นพอตายไปแล้วคนนะ่ะเอาเข้าหีบเข้าโรงเพรอะเอหีบเข้าโลงกับไฟเผา พอเผาเสร็จแล้วไปอยู่ในเมนกระดูกโพนิสุก็เอากระดูกไปลอยอังคารร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นอย่างนั้นทุกคนถ้าว่าตายแล้วไปเผานะเว้นเสียจะตายแล้วแบบสินามิถ้าตายแบบสีนามิก็อย่างที่เราพวกเราเคยเห็นภาพตายแล้วเกลื่อนเหม็นคลุ้งไปหมดมแมลงวันเต็มคลุ้งไปหมด อันนั้นแปลว่าตายแบบเกลื่อนตายแบบไม่ได้จัด ก, การถ้าตายแบบตายเสร็จแล้วก็เอาเข้าหีบเข้าลมแล้วก็เผานั้นแน่แต่นกีกระดูกเท่านั้นเองจากนั้นก็เอากระดูกไปลอยอังคารหรือเอาไปบรรจุที่ไหนเป็นกระดูกแห้งนี่แหละพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้อันนี้เราบอกวิปัสสนาให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้ว ในเมื่อร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งเหล่าอื่นสิ่งอื่นทรัพสมบัติเงินคำวัดวาศาสนาอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าเห็นร่างกายตัวเองว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วอีกสักวันหนึ่งจะต้องถูกเผาแน่นอนศาลาหลังนี้ก็ดีวัดวาศาสนาก็ดีศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องก็ดีของใช้ต่างๆที่หลวงพ่อมีอยู่ก็ดีมันจะเป็นของเราได้ยังไง ในเมื่อร่างกายก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยลักการปล่อยวางมันไม่ใช่ปล่อยที่อื่นนะปล่อยที่ใจรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ปล่อยที่ใจเพราะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนให้เห็นที่ใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจเดี๋ยวนี้พวกเรายัางยึดมั่นถือมั่น ว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราญาติพี่น้องพ่อแม่เงินคำทรัพสมบัติพัฒสถานต่างๆเป็นของเราแต่ส่วนที่แท้แล้วเมื่อเราพิจารณาตามความเป็นจริงตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนาสั่งสอนท่านบอกกล่าวแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่ตัวตัวของเราคำว่าเราเราคำนี้คือใครอันนี้ก็มีคนถามหลวงพ่อเหมือนกัน ที่สวนสุกะคารุหลวงพ่อวัดเปรียบเทียบให้ฟังว่าเราคำนี้ก็คือเหมือนกับจานมีจานใบหนึ่งแล้วก็มีแก้วใบหนึ่งอยู่บนจานนั้นจานไม่ใช่แก้วแก้วไม่ใช่จานแก้วกับจานคุณแยกส่วนกันเป็นคนละอันกันอันนี้ถ้าหาว่าเราจะเปรียบเทียบก็คือรูปประธรรมกับนามธรรม รูปประธรรมนั่นคือจานคือร่างกายจานนันคือร่างกายนามธรรมนั่นคือใจใจก็คือแก้วใจนั่นคืออาศัยร่างกายนี้อยู่แต่ไม่ใช่กายกายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กายใจนันเป็นรูปประนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ร่างกายนั้นเป็นรูปประธรรมมองเห็นด้วยตาเนื้ออย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่น่ะคือรูปประธรรม ถ้าว่าเรานันคือใข่คือใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าใจบอกให้ร่างกายทำาถึงไหนก็ทำเหมือนกับเจ้าของรถกับรถอย่างนั้นเราจะให้รถวิ่งไปทางไหนคนขับรถก็สั่งอันนี้ใจของเราก็เช่นเดียวกันใจของเราเหมือนกับคนขับรถจะให้กายทำอะไรใจก็สั่งคือสั่งสมอง สั่งสมองสมองก็ทํางานทํางานก็สั่งออกมาให้ทําให้พูดแต่ตัวคิดนี่นคือใจใจนั่นแหละเป็นเจ้าของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมโนโปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าถ้าพูดเรื่องอะไรก็ตามถ้าไม่พูดถึงใจแล้วมันไม่จบถ้าพูดเรื่องถึงธรรมะแล้ว เพราะเรื่องตั้งหลายทั้งปวงคือใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายถ้าไม่พูดถึงนายแล้วจะไปพูดแต่ถึงลูกน้องไม่มีที่สิน้นสุดไม่มีที่จบถ้าบ็อกหัวหน้าทำความเข้าใจหัวหน้าหัวหน้าเป็นศิลปเป็นธรรมหัวหน้ามีคุณธรรมเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันก็จบแต่ตั้งหัวหน้าเกเรสยียงเดียวปล่อยหมัดออกไปคาพูดออกไป การกระทำออกไปเสียหายเพราะหัวหน้าไม่ได้รับกาอรอบรมไม่ได้ฝึกฝนที่ดีเพราะ น, นั้นจะีว่าร่างกายสังขารไม่ใช่เราเราคำนี้คือคื อ, คอใครคือใจร่างกายอันนี้ถึงจะดูแลรักษาดีขนาดไหนปนปืออาหารการบริโภคดีขนาดไหน แต่ร่างกายก็ยังเป็นเป็นอื่นอยู่เสมอเลี้ยงไม่เชื่องว่างั้นเถอะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วกัปฏิสนธิร่างกายก็เมื่อร่างกายมันแตกไปคนขับรถเมื่อรถมันหมดอายุหมดสภาพคนขับรถก็ไม่รู้จะทําไงก็ไปหาซื้อรถคันใหม่อีก ไปปฏิสนที่ไปหารถคันใหม่มาใช้อีกนี่หละจุดนี้แหละที่ว่าคนไปหารถคันใหม่นี่แหะแต่ถ้าว่าคนไปหารถคันใหม่มีทุนคือได้สร้างบุญเอาไว้มีทุนนัพั์เมื่อเราได้ปิกอัพในชาตินี้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้หามีแต่ขี่รถกินเหล้าเมายาสมเมลเทเมา ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้พอรถคันนี้หมดสภาพใช่ไม่ได้เพราะมันแก่มันตายใช้ไม่ได้มันหมดสภาพมันหมดเออมันเหมือนรถที่เอาใช้หลายๆปีกันแล้วเจ้าของรถจะทําไงจะไปซื้อรถให้ดีกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้หาในขณะที่ใช้รถคันนี้อยู่ไม่ได้หาทุนทรัพย์เอาไว้ ถ้าเราที่ทุนขนาดไหนเราก็ซื้อขนาดนั้นทั้งที่เราจะถ้าเราได้โสดแสวงหาเอาไว้ว่าเออเมื่อรถคันนี้พังไปแล้วเราไม่ควรประมาทเราควรจะโสดแสวงหาทุนเอาไว้เมื่อรถคันนี้พังไปแล้วเราก็จะได้ซื้อรถให้ดีกว่านี้อีก เ, อเตรียมเงินเอาไว้ท่านได้คิดเตรียมการไว้อย่างนั้นนั่นแหละเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้สั่งสมบุญ เอาไว้เมื่อตายจะพบในชาตินี้ก็บุญกุศลก็จะต้องไปก่อปฏิสนธิในภพภูมิที่สูงขึ้นแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ไม่ได้คิดเอาไว้เมื่อลดคันนิ้พังเรามีแต่เที่ยวเตะมีแต่สัมมเลเทเมาไม่ได้สอดแสวงหาทรัพย์ พอหมดรถคันนี้อะไรกันนั่นแหะตกต่ำระบาดเพราะไม่มีทุนที่จะซื้อรถเผลอเผลอว่าย่ำเดินเผลอเผอจะไม่มีกระทั่งผ้านุ่งผ้าห่มอีกต่างหากเพราะมันหมดตัวไม่ได้ลืมตัวไม่ได้สอดแสวงหาซับเพราะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้น พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้เก็บหอมหลอมลิบเอาไว้เราจะต้องเดินทางแน่นอนเราจะต้องจากโรคนี้นอนเราจะต้องตายแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาศึกษาธรรมะปฏิบัติมันจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดหรือเปล่า หลวงพ่อเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะของครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้รับได้ศึกษามาเอามาพูดให้พวกเราได้ยินได้ฟังอีกตอนหนึ่งมันจริงอย่างนั้นหรือเปล่านี่แหละให้พวกเราทบทวนดูแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นอย่างอื่นอนยะ่างั้นหลวงพ่อเอาคําพูดเอาคําธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นมาพูดให้พวกเราได้ฟังให้สํานึกสำเนียกถ้าเราไม่เอามาพูดมาสํานึกสำเนียกเอาไว้ การลืมตัวการไม่คิดไม่พิจารณาการทําความชั่วอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอนเพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตายถ้าตัวเองคิดว่าโอูข้านึ่ต้องไปอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้แน่นอนก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นอยากครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่อย่างพวกเราเห็น ท่านปฏิบัติภาวนาจนแก่เท่าชลานี่แหละท่านมองเห็นสิ่งเหล่านั้นะมันไม่ใช่ของสนุกสนานเพหฮาอย่างที่หลวงพ่อไปเห็นมรณะภัยที่จะเข้าถึงในวันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อไปเห็นคุณโยมอายุแปดสิบห้าปีเนี่ยโอเอาอะไรให้เอาไหมเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนล้านเอาให้จะเอาไหม ไม่รับทั้งนั้นถึงข่าวนี้แล้วเวทนากล้าแต่ท่านไม่รู้แต่พวกเราเห็นโอ้โตายทุกจริงจริงก่อนที่ดานขันจะแยกแตกออกไปก่อนที่มันจะแตกจากตายไปมันทุกจริงจริงทุกแบบพูดไม่ออก ทุกหายใจไม่ออกเป็นการทนทุกข์ทรมานอย่างมากก่อนที่จะจากโลกนี้ไปท่านจึงว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์เนีเราก็เป็นเด็กเราก็จงพอเห็นคนอื่นเกิดไป็นยังไงเราก็พอจะรู้แก่เป็นทุกข์เนี่ยเห็นคนแก่ไหม ขนาดหลวงพอ่อขาดนี้หลวงพ่อก็ทํเนึกได้แล้วแก่เนี่ยมันเป็นทุกข์เริ่มเป็นทุกข์ลการอยู่การกินการหลับการนอนการไปการมามันรู้สึกว่าไม่ได้อย่างใจแล้วมันเริ่มเป็นทุกข์เข็นมาเรื่อยๆแ ล, และการเจ็บแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของสนุกอีกเจ็บเป็นทุกข์อีกแต่ส่วนตายเป็นทุกข์หนึ่งอย่างไม่เจอแต่เห็นคนอื่นตายนะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาก่อนที่จะตายได้ เพราะนั้นตายต้องเป็นทุกข์แน่ๆว่างั้นแต่เป็นทุกข์สุดๆในการเป็นอยู่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นทั้งสามอย่างทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงหาหนทางจะทํำยังไงจึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อีกนี่แหละเป็นต้นเหตุที่พระพุทธเจ้าจะส่อแสวงหาธรรมหาทางพ้นทุกขนะ์ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แหละ เพะนั้นเมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจึงไม่มีความเย่อใยิในราชสมบัติของพระ อ, องค์ออกไปส่แสวงหาธรรมอยู่ในป่าดงพงพยถึงหกปีนะ่ท่านยังได้ค้นพบหลักพระธรรมคำสั่งสอนที่มาประกาศเผยแผ่ให้พวกเราได้ศึกษาปฏิบัติ มากระทั่งถึงถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาสุดท้ายปลายแดนถึงจะสุดท้ายปลายแดนก็เถอะพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราไข่ควรไตร่ตรองดูก็แล้วกันอย่างคงเส้นคงวาอย่างจริงอยู่ตลอดเกิดนะแก่นะเจ็บนะตายนะทุกนะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้จังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันนีจังของไม่เที่ยงนะทุกขังเป็นทุกนะอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะ จริงหรือเปล่าร่างกายสังขารนี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะมีกระดูกเป็นโครงสร้างนะมีแต่ใจเข้ามายึดครองนะจริงหรือเปล่าถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนบอกกล่าวไว้ในครั้งพระพุทธเจ้าสองพันกว่าปีนำมาคิดนำมาพิจารณาในปัจจุบันนี้ก็จริงอย่างเก่าเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะว่าเป็นของเก่าก็ใช่จะว่าเป็น เป็นของใหม่เหมือนกับในครั้งพระไเจ้าก็ใช่มันเป็นความจริงมาอย่างนั้นอยู่เสมอเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะการเป็นอยู่ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้หนักแน่นในเรื่องศินการเป็นอยู่ร่วมกันให้เคารพผู้น้อยผู้ใหญ่ให้มีสัมมาคารวะเคารพวายวุฒิคุณวุฒิ พวกเราจรึงจะเจริญถ้าว่าหาความครบซึ่งกันและกันไม่ได้นะั้นมีแต่ความจิบหายนะขนาดนกสัตว์ที่ฉาญายังครบซึ่งกันและกันอย่างที่พระพุทธเจ้ายกชาดกขึ้นมาลิงช้างนกกรถาจากนั้นกับเรื่องพิจารณ า, าถึงร่างกายร่างกายของพวกเรา แก่เจ็บตายอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะก่อนที่จะปฏิบัติก็พยายามทำจิตให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโพุทธโการกำหนดลมหายใจเนี่ยลมเข้าก็พุทธลมออกก็โกแต่อย่าไปเกรงอย่าไปคึงอย่าไปแต่งลมนะให้เป็นธรรมชาติที่สุด ลมผ่านเข้าไปก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกให้เหมือนเรานั่งอยู่ข้างประตูหรือยืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นนะคนเข้ามาเราก็รู้คนออกไปเราก็รู้ไม่ต้องตามคนออกไปไม่ต้องตามคนเข้ามานั่แหละวิธีการกำหนดลมนะลมเข้าจมูกนะเราก็รู้ว่าลมเข้าพุทธลมออกไปเราก็โทรพุทธโทรแต่บางคนไม่เคยกาหนดลมจะทายังไงจึงจะรู้ ทดลองหายใจแรงๆดูนะหายใจแรงๆฟืดเข้ามาสักครั้งเฟืดทั้งลมออกไปเฟ้นะฟ้ออ่าสามสี่ห้าหกครั้งแต่นั้นก็ผ่อน ล, ลงผ่อน ล, ลงผ่อน ล, ลงเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนเท่นี่เมื่อลมกระทบที่ไหนเราก็จับเอาหลงสติจับอยู่ตรงนั้นละ่ะเท่นีเวลาหายใจเข้ามันก็เย็นช่ยพุธเวลาลมออกก็เย็นช่ยโท ร, รู้ว่าลมเข้า รู้วลมออกมีแต่คนตา ย, ยนะคนตายไม่มีลมเข้าลมออกนะมดลมแต่ยังมีชีวิตอยู่ต้องมีลมนะลมผ่านก็ให้มีสติอยู่ตรงนั้นอนะ่ะอันนี้แหละวิธีทําจิตให้สงบเบื้องต้นนะและต่อไปเมื่อจิตสงบเป็นเบื้องต้นแล้วพิจารณาอะไรทําใจยังไงต่อไปนะยังค่อยศึกษาฟังอีกสําหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้นแต่สําหรับพระหลวงพ่อเขาได้สอนให้แล้วว่าควรพิจารณายัางไง ควรทำตัวยังไงควรจะพิจาราอะไรควรปล่อยวางยังไงยังไงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเคยเคยพูดกันมาสําหรับผู้ที่เป็นหน้าคริเริ่มเบื้องต้นก็อย่างทําอย่างที่หลวงพ่อพูดก่อนนะพยายามทําจิตให้เป็นหนึ่งบังคับนะบังคับใจตัวเองอย่า ไ, ไปบังคับคนอื่นถ้าไปบังคับคนอื่นไม่ได้บังคับใจตัวเองไม่เป็นไรบังคับใจตัวเองให้อยู่ใน สมาธิเนี่ยมีแต่คุณประโยชน์ทั้งนั้นแหละเมื่อบังคับใจตัวเองให้อยู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจจะเย็นสบายไปเรื่อยๆจิตใจไม่ฟุง้งไม่ปุงฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกนะตอนนี้ไปกับพวกเราท่านทั้งหลายนั่งกัสมาธินะทีนี้นะนั่งสมาธิต่อนะนั่งเหมือนพระประธานเนี่ยนะขาขวาทับขาซ้าย เสร็จแล้วปรนมมือไหว้พระไหว้พระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆ ส, โสมจบจากนั้นก็เอามือลงเอามือขวาทับมือซ้ายทํำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหนะ้ากำหนดลมหายใจเข้าพุทท้ายใจออกโทรูรับตานะไม่ต้องลืมตานะจนกว่าหลวงพ่อจะบอกเออาลับพอยังค่อยออกจากสมาธินะเขานั่ง